มันก็ตอนที่ทํากรรมเนี่ยแม่มันเพลินบอกไม่ถูกนะคนที่ทําชั่วนี่มันสะใจมากเลยนะสายปานาธิบาตยังได้ฆ่าคนที่เราอยากฆ่าเป็นตัวเนี่ยโอ้มีความสุขแต่ว่าเวลาผลมันให้ผลนี่สิมันเผ็ด ร, ร้อนจริงๆเลยนะอะในข้ออุปมาณนั้นเปรียบเทียบ ว, วนรกก็เหมือนกับหลุมฐานเพลิงกรรมที่เป็นเหนียดให้เข้าถึงนรกก็เหมือนกับทางที่ไปสู่หลุมฐานเพลิงเพิ่งเห็นบุคคลผู้พรั่งพร้อมด้วยกรรมเหมือนคนที่ขึ้นสู่หนทาง น, นะทางที่มันเดินแบบไม่มีทางหลบเลยนะเดินชนิดที่เรียกว่าเหมือนกับขึ้นสายพานไปตกหลุมฐานเพลิงเลยแบบนั้นอนะ่ะพระพุทธเจ้านี่เห็นด้วยทิพจักสุเหมือนบุรุษผู้มีจักสุเนี่ยน ะ, นะอะบอกว่าบุรุษนั้นเห็นบุคคลขึ้นสู่หนทางนั้นเที่ยวย่อมรู้ว่าบุคคล น, นี้ไปโดยทางนี้จักตกลงไปในหลุมฐานเพลิงชั้นใด พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรู้กรรมอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งฆ่าอายุในการฆ่าสัตว์เป็นต้นอย่างนี้ซึ่งอนะว่าอากรรมอะไรมาเช่นปานาธิบาตหรือล่วงอกุศลกรรมบทบุคคลทํากรรมนี้แล้วจกตกนรกฉันนั้นเหมือนกันในการส่วนอื่นบุรุษนั้นเห็นบุคคลนั้นตกอยู่ในลุ่มฐานเพลิงฉันใดในกาในกาละส่วนอื่นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ ย, งยังแสงสว่างให้เจริญเรียกว่าเจริญอโลกัสัญญา บุตรผู้ทำกรรมนั้นเกิดแล้วในที่ไหนพระองค์ก็เห็นว่าเขาเกิดแล้วในนรกนะมีเครื่องจองจำอยู่ห้าประการเครื่องจองจำห้าประการคืออะไรก็คือสมมติว่าถูกตรึงเอาไว้เนี่ยนะตอกที่มือติดฝาผนังมือสองข้างเท้าสองข้างแล้วก็ตอกที่อกสักที่หนึ่งนะก็ตรึงเอาไว้เสร็จแล้วพระองค์ก็แลดูก็เห็นว่าสัตว์นรกนี้มีสีอย่างนี้สังสมกรรมแบบนี้ทําให้เกิดแบบนี้พระองค์ก็รู้เลยว่าเออถ้าทําอย่างนี้ บอกว่ า, าสัตว์นี้ดำรงอยู่ในถ้ำกลางาสัตว์หลายแสนถึงไปนรกอย่างที่เขาบอกว่าไม่เงารอกมีคนอยู่เยอะแยะเลยเขาบอกงั้นสัตว์นรกอยู่เยอะแยะเลยนะแต่ว่าแหมขออยู่เป็นชนจะกลุ่มน้อยเถอะนะไอ้ชนจํานวนมากที่อยู่ณนะที่นั้นเนี่ยคงไม่ไหวเลยแต่เขาบอกว่าไ อ, ไอ้นรกทั่วไปมันก็ไม่หนักแน่นหนานแน่นเท่าเอาเวจีนรกเอเวจีนรกเนี่ยสุดยอดเลยมันโหดเหี้ยมที่สุดในจำนวนนรกทั้งหลายมันเหี้ยมยังไง เขาบอกว่ามันอยู่เอออะยัดเยียดเหมือนผงทนานีบุกเขาบอกที่งาแป้งฝุ่นนะ่ะนะซื้อแป้งมาเต็มกระป๋องอนะ่ะแบบนั้นอนะ่ะอันนี้แปลว่าไม่มีระหว่างเลยนี่อย่างที่หนึ่งอย่างที่สองความร้อนเนี่ยไม่มีช่องว่างเลยแบบกายปสาธามีอยู่เท่าใดมันสัมผัสได้เท่านั้นหมดเนี่ยนะและไม่ตายตราบเท่าที่ไม่สิ้นกรรมนะ่นะบางทีเนี่ยบางคนก็ตกเป็นพุทธันดร นะพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งถึงองค์หนึ่งเนี่ยนะไอ้แค่ว่าเป็นหมื่นปีสองหมืนปีเนี่ยอู้น้อยมากจากพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งถึงองค์หนึ่งบางองค์เนี่ยตกข้ามพระพุทธเจ้าด้วยนะตกตั้งหลายพระพุทธเจ้ากว่าจะผ่านออกมาเนี่ยเพราะนั้นอ่าถ้าบอกว่าในบรรดาคุกที่ออกยากที่สุดเนี่ยนะที่พระองค์ตรายก็คือนรกกับเดระนั้นคิดดูง่ายๆว่าถ้าไปเกิดเป็นนรกเนี่ยไม่รู้จะไปเยี่ยมกันยังไงนะไม่รู้จะไปประกันตัวกันออกมาอย่างไรก็มีอยู่ทางเดียว ของคนที่กําลังตกนรกเนี่ยนะเช่นก็มีพราหมณ์คนหนึ่งอดีตเขาเขาทําปาณาติบาตไว้เยอะเนี่ยนะในที่สุดเขาก็ตกนรกแต่ทีนี้เขาเคยเอาผ้าไปหอมพระเจดีย์สีเหมือนเปลวเพลิงพอเห็นคลื่นเปลวไฟนรกนึกถึงผ้าเลยจุดติจากนรกเกิดในสุคติได้เอออันนี้วิธีหนึ่งอวิธีหนึ่งอันี้ก็กําลังเออถ้าเราจุดไฟบูชาพระไว้เยอะๆอันนัไม่ใช่จุดไฟเผาสาลาเนะ แต่จุดแสงสว่างบูชาพระอันนี้อาจจะเป็นไปได้ถ้าจุดไฟเผาสาลาก็อย่าลืมชดใช้ด้วยนะเตรียมค่าใช้ด้วยนะนะก็มีบางวัดจุดไฟบูชาพระเอ๊จุดไฟเผากุฏินี่นะนะกุฏิสงด้วยเดือดร้อนแน่บางแห่งจุดเผาโบสถ์บางจุดเผาสาลาบ้างอะไรบ้างเพราะอะ้จุดไฟบูชาพระเนี่ยอันนี้ก็พอจะช่วยได้บ้างแต่ว่าก็ระวังในเรื่องจุดไฟเผาโบสถ์ก็แล้วกันเนี่ยนะหลายแห่งโบสถ์หลายวัดเขาไม่จุดไฟแล้วบอกไปจุดข้างนอกแล้วกัน มันก็อันนี้ก็ระวังให้ดีๆเพราะว่าอการจุดประทีปบูชาพระเนี่ยแทนที่จะได้บุญพลาดไปได้บาปเนี่ยนะโสมนัตนิดหน่อยแล้วก็เสียใจทั้งนานวันนี่ก็ระวังให้ดีและที่สําคัญนี่ก็พยายามรำลึกทบทวนว่าอะไรที่จะเป็นไปเพื่อพ้นจากทุกโทษอะไรจะเป็นไปเพื่อพ้นจากอบายทุกขติวิบัตินรกถ้าไปที่โน้นแล้วมีอะไรสํารองบางว่าจะออกมาได้ยังไงวิธีที่หนึ่งก่อนจะไปนรกพยายามทําบุญอุทิศให้ยมพบาลบ่อยๆเนี่ยนะ ท่านจะได้นึกถึงเราบ้างเออใกล้ๆทําบุญนะเคยอุทิศกุศลไว้ให้บ้างนะอย่างที่หนึ่งอย่างที่สองก็อ่าเนี่ยทําบุญเกี่ยวกับอะไรผ้าสีแบบสีแบบคล้ายไฟเนี่ยนะเอาไว้เผื่อจะหลุดออกม า, าเห็นภาพก็จะได้นั่นแหละพอหลุดออกมาถ้าโสดาปฏิมาศยังไม่เกิดเนี่ยอย่าเพึ่งเย็นใจเลยว่าเรารอดแลว้วนะนะก็ดูว่าวันหนึ่งพุททางสรารนางังคฉามิบ่อยไหมถ้าไม่บ่อยนี่เอาอะไรมาปลอดภยัยไม่ปลอดภัยรอกเนี่ยนะ ก็ถ้าทุกแห่งเนี่ยนะที่ไหนว่างที่สัตว์ล่วงกรมาบดไม่ได้ยอมเคยเห็นไหมเพราะฉะนั้นทุกแห่งจึงเป็นประตูอบายได้หมดเลยนั้นเมื่อเป็นประตูอบายได้หมดเนี่ยเราเอาอะไรเป็นเครื่องป้องกันล่ะก็เหมือนกับว่าทุกแห่งเนี่ยกระโดดลงน้ําทะเลได้หมดเลยอย่างเงี้ยสมมแล้วเอาเรืออะไรมารองรับเนี่ยนะเอาบุญกุศลอะไรมารองรับมันก็ต้องมาสํานวนให้ดีนะบอกอาเจริญสติประธานเลยเจริญว่ายังไง่ะไ่างนั้นเอา คิดอย่างนี้พอไม่จะปิดนรกเนี่ยเอาเข้าจริงนะเอาเอาไม่พอไม่ที่จะปิดอบายทุกขติวิธิบาทนรกเนี่ยเพราะฉะนั้นรับประกรันให้ดีๆนะไม่ใช่แบบสอนกันผิดๆแบบอะไรนะเขามีอยู่พราหมณ์รัทพราหมณ์อยู่รับที่หนึ่งไอ้คนนั้นครับคตินิมิตปรากฏเปลนเปลวไฟลุกท่วมหมดเลยเสร็จแล้วก็ไปถามอาจารย์อาจารย์ตอนนี้ผมเนี่ยร้อนมากไฟทั้งนั้นเลยก็บอก โอ้นั่นแหละทางแห่งพรหมโลกดีใจทั้งลูกวังนั้นนั่นแหละพรหมโลกแล้วล่ะพรหมโลกปรากฏแกเจ้าแล้วว่างนั้นที่ไหนได้ไฟเปลวนรกพลุกพลบเพลิบเพลิ บ, พลบขึ้นมาบอกนั่นแหละพรหมโลกบอกเป็นไหนดีคะนะี้ชื่นชมอย่างนั้นก็เซ็ตเนี่ยนะอยู่แล้วเนี่ยนะเพราะฉะนั้นอย่าเข้าใจผิดแบบนั้นนะไปเข้าใจผิดว่าเออคิดอย่างนี้แล้วพอแล้วที่จะปิดอาบายทุกขติเวนีบาสนารกมันไม่พอหรอกนะจะต้องเอาให้มันมั่นใจนะคะเอาให้อุ่นใจนะทําบุญอะไรก็ได้ให้อุ่นใจให้มัน บุเนี่ยมันอุ่นที่ใจนะไม่ได้อุ่นที่ภายนอกนั้นเจริญกุศลอะไรพอที่จะมั่นใจและพอที่จะอุ่นใจถ้าไม่อุ่นใจเนี่ยเดือดร้อนแน่อย่างที่เราไปเห็นคนยากทั้งหลายในโลกนี้เราก็บอกว่ามันทุกข์หนักหนาแล้วถ้าเทียบกับนรกแล้วนี่มันสวรรค์ชัดๆเลยว่างั้นฮะถ้าเทียบกับสัตว์นรกเนี่ยสวรรค์ทั้งนั้นแหละเนี่ยนะเพราะนั่นก็ต้องอ่าซ้ำรวมระวังระลึกเนี่ยนะระลึกไว้ให้ดีๆนะไม่อย่างนั้นเนี่ยเราไม่มีคุณธรรมที่นําออกเนี่ย มันก็หาช่องทางอ่ะนะต่อสู้หนีที่สุดเท่าที่จะทำได้นะทำยังไงที่จะพ้นอบายทุกขติวินิบาดนรกอย่าไปเอารับที่จำนนเคยไหมพระพุทธเจ้าจำนนทุกคนมันต้องไปนรกทั้งนั้นเละพระองค์ไม่เคยตรัสแบบนี้อ่ะนะนี่เป็นหนทางที่จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เธอทั้งหลายอ่ะนะพระองค์เนี่ยทำยังไงที่สาวกทั้งหลายจะได้หลุดพ้นจาก บ่วงแห่งความทุกข์แน่แนวเนี่ยนะบอกว่าเจริญอย่างนี้นะทําอย่างนี้นะเช่นผู้ที่มีศรัทธาเลื่อมใสอันมั่นคงไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าว่าแม้เวรนี้พระองค์เป็นผ้าฐันเป็นต้นอันนี้เนี่ยนะถ้าเลื่อมใสมั่นคงอย่างนี้บอกพยากรณ์ได้เลยว่าปิดอบายทุกขติวินิบาตนรกเป็นต้นมันเราจะทํำยังไงเราจึงจะมีศรัทธามั่นคงในพระรัตนะตรายมีในพระพุทธเจ้าอย่างที่สุดเนี่ยนะถ้าเรามีศรัทธาเท่าใดอันนั้นเป็นหลักประกรันของเรา เท่านั้นถ้าเราไม่มีศรัทธาเราก็ไม่มีอะไรเป็นหลักประกันเลยไม่มีอะไรเป็นหลักประกันว่าเรานั้นพ้นจากอบายทุกติวินิบาตนรกมันศรัทธาเป็นต้นนั่นแหละเป็นหลักประกันศรัทธาเป็นหลักประกันศีลก็เป็นหลักประกันสมถะก็เป็นหลักประกันวิปัสนาเป็นต้นก็เป็นหลักประกันเนี่ยนะหรือศรัทธาศีลฮิริโอตปะสุตะจักะปัญญาเนี่ยนะสิ่งเหล่านี้เป็นหลักประกันการพิจารณาอริยสัจนั่นแหละเป็นหลักประกันที่จะทําให้ ให้เราพ้นทุกข์ถ้าหากว่าเราไม่เจริญคุณธรรมให้พรั่งพร้อมเพียบพร้อมให้มากให้สมบูรณ์ให้บริบูรณ์นี่แหมมันยากบางคนก็ถึงบอเออเนี่ยยังไงเขาก็ไปสวรรค์ก็ไม่ปฏิเสธว่าไม่ไปแต่คุณจะไปอยู่ที่สวรรค์ได้นานไหมล่นะเ อ, อ็เหมือนกับไปเช่าโรงแรมดูสิทานีอยู่มันจะอยู่ได้กี่คืนเนี่ยนะจะอยู่แบบโม้ระดับเรามันต้องอยู่ห้อง V I P เอง น, นอะอ่ใช่ละ่ะแต่ว่าอาจจะได้คืนเดียวไงนะ เพราะสวรรค์นี่ไม่ได้แปลว่าสวรรค์อายุยืนอายุยาวก็จริงแต่ไม่ได้ว่าแปลว่าทุกคนต้องไปอยู่ตลอดอายุไขเพราะบางคนอยู่ได้ไม่นานเพราะหมดบุญบางคนเพราะหมดอาหารก็คือโมแต่เที่ยว เ, เพลินลืมกินก็ตายนะครบางทีก็หมดบุญบางทีก็หมดอาหารบางพวกที่สามก็คือพวกหมด อ, อะไรนะหมดบุญหมดอาหารแล้วก็อยู่จนสิ้นอายุไขเนี่ยนะแต่ว่าสรุปว่าถามถ้ า, ถ, าถ้าเคลื่อนจากสวรรค์แล้ไปไหนต่อ เพราะว่าอยู่ตอนที่อยู่สวรรค์เนี่ยนะหมามันยากเหมือนกันนะเหมือนอยู่ในสวรรค์คิดง่ายๆเหมือนว่าคนที่มีความสุขอยู่ในข้างสรรพสินค้านะถ้าไม่คิดให้เป็นบุญให้สวรรค์ดีๆเนี่ยนะถ้าออกมาจากข้างไปไหนต่อแล้วคะเนี้ยเดือดร้อนแล้วต้องพยายามหาบุญกุศลอะไรที่ให้เป็นเกาะให้เป็นที่พึ่งให้เป็นเครื่องอบอุ่นใจเนี่ยนะเพราะาตอนที่เราทุกเราก็ทุกคนเดียวก็อย่างที่เขาบอกว่าเพราะพุทธเจ้าหรือภาษาริบุตรเนี่ยบอกว่า บางคนเขาอ้างว่าเขาเลิกทำบาปไม่ได้หรอกเพราะเขามีอะไรที่ต้องรับผิดชอบตั้งหลายอย่างมีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องมิตรอัมมาฏญาสาโลหิตฆาตบับริวานผู้มาเยือนสรุปว่ามีเหตุผลอธิบายได้ว่าเขาต้องทำบาปภาษาริบท่ทานก็ทมง่ายๆบอกว่าถ้าไปนรกเนี่ยนะไปเจอนายนิรยบาลเนี่ยเอาพ่อเอาแม่ไปใ ห, ให้ท่านช่วยเนี่ยที่ทาบาปพาะพ่อ พ, อพอแม่นะ และให้พ่อแม่ไปช่วยเป็นพยานให้ด้วยว่าใช่เนี่ยลูกฉันกระตันอยู่มากทําบาปเพื่อฉันเพราะฉนั้นปล่อยเขาทีเถอะเขาจะยอมไหมแต่ขนไปทั้งหมดที่เราอ้างเนี่ยว่าเราทำเพื่อใครเอาคนนั้นเนี่ยแหละไปเป็นพยานให้เราจะช่วยเรารอดไหมครับอกไม่เราไม่ไว้ละท่านอย่งนั้นนะมันจะเอาใครไปเป็นพยานก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยเนี่ยนะะพันเราก็ต้องระวังอนะจะต้องรู้จักรักตัวเองมากเหมือนกันนะรู้จักรักตัวเองอะนะเพราะผลที่รักสุขเกลียดทุกข์เนี่ยนะ เราเองก็เราก็ไม่ต้องการความทุกข์ไม่ใช่หรือแล้วเราจะสร้างเหตุแห่งความทุกข์ไปถึงไหนเพราะทุกเหล่านี้ก็ไม่ใช่ว่าใครจะรับแทนเราปวดหัวมีคนอื่นปวดแทนเราบ้างไหมตัวร้อนเป็นไข้เป็นวัดนะไม่สบายสุขภาพไม่ดีเป็นต้นเป็นเรื่องเฉพาะตัวทางนั้นเมื่อเป็นเรื่องเฉพาะตัวหาอะไรเป็นเกราะเป็นกำบังเป็นสาระเป็นที่พึ่งเป็นที่หลีกเล่นเป็นที่ป้องกันภัยเนี่ยนะก็ก็อย่างที่กล่าวไปแล้วว่าศรัทธาที่มีต่อพระตถาคต ที่นี้ศรัทธาของเราจะมั่นคงขนาดไหนแค่ไหนอย่างไรก็อยู่ที่เราเข้าใจในพระพุทธคุณเท่าไหนแค่ไหนและอย่างไรพอไหมที่จะอบอุ่นใจเนี่ยนะนี้ต่อไปข้อเกี่ยวกับพิสในข้อหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองดูก่อนสารีบุตรเราย่อมกำหนดบางคนในโลกนี้ด้วยใจ นะรู้เข้าเลยนะด้วยสัพพัญญตญาณว่าบุคคลนี้ปฏิบัติอย่างนั้นดําเนินอย่างนั้นและขึ้นสู่หนทางนั้นจากเข้าถึงกําเนิดเดรัจฉานเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกสมัยต่อมาเราเห็นบุคคล น, นั้นเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเข้าถึงแล้วซึ่งกําเนิดสัตว์เดรัจฉานเสวยทุกขเวทนาอันแรงกล้าเผ็ดร้อนด้วยทิพจักสุขอันบริสุทธิ์ล่วงจากสุขของมนุษย์ ดก่อนสารีบทเปรียบเหมือนหลุมคูดเนี่ยนะท่อส้วมมันนะลึกยิ่งกว่าชั่วบุรุษเต็มไปด้วยคูดเนี่ยนะลําดับนั้นบุรุษผู้มีตัวอันความร้อนแผดเผาครอบงําเหน็ดเหนื่อยสะทกสะท้านหิวระหายมุ่งมาสู่หลุมคูดนั่นแหละโดยหนทางสายเดียวหมายคือว่าทางเนี่ยเบี่ยงไม่มีมีคือว่าเป็นทางชนิดที่เรียกว่าเดินตรงอย่างเดียวห้ามถอยห้ามอะไรนะเป็นทางสายเดียวบุรุษผู้มีจักษุเห็นเขาแลว้ว ก็พึงกล่าวอย่างนี้ว่าบุรุษผู้เริญท่านปฏิบัติอย่างนั้นดําเนินอย่างนั้นและขึ้นสู่หนทางนั้น่ะจักมาถึงหลุมคูดนี้ทีเดียวสมัยต่อมาบุรุษผู้มีจักสู่นั้นพึงเห็นเขาตกลงไปในหลุมคูดนั้นสเสวยทุกขเวทนาอันแรงกล้าเผ็ดร้อนเมฉันใดดูก่อนสารีบุตรเราย่อมกําหนดรู้ใจเนี่ยนะ ของบุคคลบางคนในโลกนี้ด้วยใจก็ฉนั้นเหมือนกันแหลว่าบุคคลนี้ปฏิบัติอย่างนั้นดำเนินอย่างนั้นและขึ้นสู่หนทางนั้นเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกจากเข้าถึงกาเนิดสัตว์เดรัจฉานโดยสมัยต่อมาเราก็เห็นบุคคลนั้นเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกก็เข้าถึงแล้วซึ่งกาเนิดสัตว์เดรัจฉาน เวยทุกขเวทนาอันแรงกล้าเผ็ดร้อนด้วยที่พระจักสุอันบริสุทธ์ล่วงจักสุของมนุษย์เนี่ยนะเพียงกสัตร์เดชะาเนี่มันทุกข์จริงๆเลยนะก็ต้องไปเป็นสัตริย์เดชะาไหนพอจะมีความสุขบ้างที่มีความสุขนี่มีกี่ตัวบางคนเนี่ยริษยาแบบอู้ดูสิสุนัขนะยังอยู่สบายกว่าเราเลย แล้วมาขี่เรือนกับไม่ขี่เรือนอันไหนมากกับกันยังไงนะมีเจ้าของกับไม่มีเจ้าของอันไหนมามากกับกันไหนที่เลี้ยงอย่างดีกับเลี้ยงไม่ดีนี้มีกี่ตัวงนะนะเพราะฉะนั้นไม่อะไรดีอะไรเลยเนี่ยนะนะ